ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์เสด็จเข้าไปเยี่ยมท่านพระภักคุณะถึงที่อยู่เถิดพระผู้มีพระภาคทรงรับด้วยพระอาการดุษณีครั้นเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเร้นเสด็จเข้าไปหาท่านพระผักคุณะถึงที่อยู่ท่านพระภกคุณะได้เห็นพระผู้มีพระภาคกำลังเสด็จมาแต่ไกล จึงลุกขึ้นจากเตียงลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัส ก, กับท่านพระพระคุณะว่าอย่าเลยพระคุณนะเธออย่าลุกจากเตียงเลยอาสนะที่ภิกษุอื่นปูลาดไว้ยังมีอยู่เราจะนั่งบนอาสนะนั้นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนพุทธาที่ปูลาดไว้ได้ตรัสถามท่านพระภัคุณะดังนี้ว่าพระคุณนะเธอยังสบายดีหรือ ยังพอเป็นอยู่ได้หรือทุกขเวทนาทุเลาไม่กำเริบหรืออาการทุเลาปรากฏอาการกำเริบไม่ปรากฏหรือท่านพระพะคุณะกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่สบายจะเป็นอยู่ไม่ได้ทุกขเวทนาของข้าพระองค์มีแต่กำเริบหนักขึ้นไม่ทุเลาลงเลยอาการกำเริบปรากฏอาการทุเลาไม่ปรากฏ เปรียบเหมือนคนที่แข็งแรงใช้เหล็กแหลมที่คมแทงศีรษะฉันใดลมอันแรงกล้าก็เสียดแทงศีรษะของข้าพระองค์ฉันนั้นเหมือนกันข้าพระองค์ไม่สบายจะเป็นอยู่ไม่ได้ทุกขเวทนาของข้าพระองค์มีแต่กำเริบหนักขึ้นไม่ทุเลาลงเลยอาการกำเริบปรากฏอาการทุเลาไม่ปรากฏเปรียบเหมือนคนที่แข็งแรงพึงใช้เชือกหนังที่เหนียวรัดที่ศีรษะฉันใด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 เราใจให้อาจหารแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมิคาถาแล้วเสด็จลูกจากพุทธาฏ จ, จากไปครั้งนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จหลีกไปไม่นานท่านพระผกุณะได้มรณภาพแล้วในเวลามรณภาพอินทรีของท่านผ่องใยยิ่งนักต่อมาท่านพระอานนลเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ทวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรเดียกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จลีกไปไม่นานท่านพระภคคุณะได้มรณภาพแล้วและในเวลามรณภาพอินทรีของท่านผ่องายยิ่งนะัก มิสงการฟังธรรมพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานอนท์อินทรีย์ของผัคุณะภิกษุจะไม่ผ่องใสได้อย่างไรแรกทีเดียวจิตของผัคุณะภิกษุยังไม่หลุดพ้นจากโอรมภาคียสังโยชน์สังโยชน์เบื้องตามหประการแต่เพราะได้ฟังธรรมเทศนานั้นจิตของผัคุณะภิกษุจึงหลุดพ้นจากโอรมภะกียสังโยชน์หประการอานอนท์ การฟังธรำตามการการพิจารณาเนื้อความตามการมีอนิสงฆ์6ประการนี้อนิสงฆ์หกประการอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุในธรรมวิไนนี้มีจิตยังไม่หลุดพ้นจากโอรมภาคียสังโยชน์หประการในเวลาใกล้ตายในเวลานั้นเธอได้เห็นตถาคตตถาคตแสดงธรรมที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในทถ้ำกลาง มีความงามในที่สุดประกาศพรหมจันทร์พร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแก่เธอเพราะได้ฟังธรรมเทศนานั้นจิตของเธอจึงหลุดพ้นจากโอรัมพาคิยสังโยดหประการนี้เป็นอนิสงส์ประการที่หนึ่งในการฟังธรรมตามการ 2. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ มีจิตยังไม่หลุดพ้นจากโอรัมพาคยสังโยดหประการในเวลาใกล้าตายในเวลานั้นเธอไม่ได้เห็นตถาคตเลยแต่ได้เห็นสาวกของตถาคตสาวกของตถาคตแสดงธรรมที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในถ้ำกลางมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจันท ร, ร์พร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแก่เธอ เพราะได้ฟังธรรมเทศนานั้นจิตของเธอจึงหลุดพ้นจากโอรัมภคียสังโยชน้าประการนี้เป็นอเนสงประการที่สองในการฟังธรรมตามการ 3. ภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้มีจิตยังไม่หลุดพ้นจากโอรัมภคียสังโยชน้าประการในเวลาใกล้ตายในเวลานั้นเธอไม่ได้เห็นตถาคตทั้งไม่ได้เห็นสาวกของตถาคต แต่ตรึกตามตรองตามเพ่งตามด้วยใจซึ่งทำตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาเมื่อเธอตรึกตามตรองตามเพ่งตามด้วยใจซึ่งทำตามที่ตนได้สดับมาตามที่ได้เรียนมาจิตของเธอจึงหลุดพ้นจากโอรัมภคิยะสังโยตห้5ประการนี้เป็นอนิสงส์ประการที่สในการพิจารณาเนื้อความตามการส ภิกษุในธรรมวินนยนี้มีจิตหลุดพ้นแล้วจากโอรัมภัคขยสังโยชน์หประการแต่จิตของเธอยังไม่น้อมไปในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธิกิเลสอันยอดเยี่ยมในเวลาใกล้าตายในเวลานั้นเธอได้เห็นตถาคตตถาคตย่อมแสดงธรรมที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในถ้ำกลางและถึงประกาศพรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแก่เธอ เพราะได้ฟังธรรมเทศนานั้นจิตของเธอจึงน้อมไปในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธิกิเลสอันยอดเยี่ยมนี้เป็นอนิสงส์ประการที่4ในการฟังธรร ม, มตามการ 5. ภิกษุในธรรมวินัยนี้มีจิตหลุดพ้นแล้วจากโอรัมภคียะสังโยชน์หประการแต่จิตของเธอไม่น้อมไปในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธิกิเลสอันยอดเยี่ยมในเวลาใกล้ตาย ในเวลานั้นเธอไม่ได้เห็นตถาคตแต่เธอได้เห็นสาวกของตถาคตสาวกของตถาคตแสดงธรรมที่มีความงามในเบื้องต้นละถึงประกาศพรหมจารย์บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบท่วนแกเธอเพราะได้ฟังธรรมเทศนานั้นจิตของเธอจึงน้อมไปในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปทิฏิเลสอันยอดเยี่ยมนี้เป็นอนิสงส์ประการที่หในการฟังธรรมตา ม, ตามการ ภิกษุในธรรมวินัยนี้มีจิตหลุดพ้นแล้วจากโอรัมภะยสังโยทห้าประการแต่จิตของเธอไม่น้อมไปในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปทิคิเลตอันยอดเยี่ยมในเวลาใกล้าตายในเวลานั้นเธอไม่ได้เห็นทั้งตถาคตทั้งไม่ได้เห็นสาวกของตถาคตแต่เธอตรึกตามตรองตามเพ่งตามด้วยใจซึ่งธรรมตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมา เมื่อเธอตรึกตามตรองตามเพ่งตามด้วยใจซึ่งทำตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาจิตของเธอจึงน้อมไปในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปทิพกิเลสอันยอดเยี่ยมนี้เป็นอนันใสง์ประการที่6ในการพิจารณาเนื้อความตามการอา น, นุ์การพิจารณาเนื้อความตามการมีอันิสงุ์6ประกรนี้แล พระคุณสูตรที่สองจบ <Okay. S 1> 3. าชะละพิชาติสูตรว่าด้วยอาพิชาตห6จำพวกสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่หน้าภูเขาคิจกฏฺ ค, ครงรรราชคคั้งนั้นแหละท่านพระอาหน์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรเรียกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญปุโรณกัสปะบัญญัติอภิชาตหกจำพวกคือ 1. บัญญัติกันหาพิชาติชาติ ด, ดำสอบัญญัตินีลาพิชาติชาติเขียว 3. บัญญัติโลหิตาพิชาติชาติแดง 4. บัญญัติฮลิทาพิชาติชาติเหลือง 5. บัญญัติสุกาพิชาติชาติขาว 6. บัญญัติปรมสุกาพิชาติชาติขาวยิ่งปุรณกัสปะบัญญัติคนฆ่าแพ้คนฆ่าสุกรพลานกพลานเนื้อชาวประมงโจรเพชข้าตร เจ้าหน้าที่เรือนจําหรือคนทํางานที่โหดร้ายอื่นๆว่าเป็นการหาพิชาติบัญญัติพวกภิกษุผู้โน้มเอียงไปในฝ่ายดําหรือพวกกรรมวาทีเกริ้ยววาทะอื่นๆว่าเป็นนีลาพิชาติบัญญัตินิครนผู้ใช้ผ้าผืนเดียวว่าเป็นโลหิตาพิชาติบัญญัติครหัดผู้นุ่งผ้าขาวหรือสาวกของอเจลกะว่าเป็นฮรลิธาพิชาติ บัญญัติอาชีวกหรืออาชีวิกาว่าเป็นสุกากพิชาติบัญญัติเจ้าลัทธิชื่อว่านันทวัชโคตเจ้าลัทธิชื่อกิสังกิ จ, จโคตเจ้าลัทธิชื่อมัคลิโคสารว่าเป็นปรมสุกกากพิชาติข้าแต่พระองค์ผู้เจริญปุโรณกัสปะบัญญัติอภิชาตหกประการนี้ไว้พระผู้มีพระภาคตราถามว่าอานน์ การที่ปุรณะกัสปะบัญญัติอภิชาตหกประการนี้ไว้ชาวโลกทั้งปวงเห็นคล้อยตามด้วยหรือพระอานนท์กราบทูลว่าไม่เป็นอย่างนั้นเลยพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์คนทั้งหลายบังคับบุรุษยากจนขัดสนเข็นใจผู้ไม่ปรารถนาส่วนเนื้อว่าแน่บุรุษผู้เจริญท่านพึงกินเนื้อนี้และต้องให้ค่าเนื้อ ฉันใดปุโรณกัสปะก็ฉันนั้นเหมือนกันบัญญัติอภิชาตหกประการนี้สำหรับสมณพรามณ์เหล่านั้นไว้โดยที่ชาวโลกทั้งปวงก็ไม่ยอมรับเหมือนคนผ่านไม่เฉียบแหลมไม่รู้หลักการบัญญัติไม่ฉลาดอานนท์เราก็บัญญัติอภิชาตหกประการไว้ขอเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวท่านพระอานนท์ทูลรับสนองพระดํารัสแล้ว พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าอานนท์มาพิชาตหกประการอะไรบ้างคือหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นกันหาพิชาติประพฤติธรรมดำํา 2. บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นกันหาพิชาติประพฤติธรรมขาว 3. บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นกันหาพิชาติบรรลุนิพพานที่ไม่ดาไม่ขาว สบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสุกากพิชาติประพฤติธรรมดำห้บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสุกากพิชาติประพฤติธรรมขาว 6. บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสุกากพิชาติบรรลุนิพพานที่ไม่ดำไม่ขาวบุคคลเป็นกันหาพิชาติประพฤติธรรมดำเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เกิดในตระกูลต่ำ คือตระกูลจันทานตระกูลในพรานตระกูลช่างสารตระกูลช่างรถหรือตระกูลคนขนขยะซึ่งเป็นตระกูลยากจนมีข้าวน้ำและสิ่งของเครื่องใช้น้อยเป็นไปอย่างเฟื่อคเฟืองเป็นแหล่งที่หาของกินและเครื่องนุ่งห่มได้ยากและเขามีผิวพันธุ์มนมองไม่น่าดูต่ำเตี้ยมีความเจ็บป่วยมากตาบอดเป็นง่อยเป็นคนกระจกหรือเป็นโรคอัมพาต มักไม่ได้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องลูบไล้ที่นอนที่พักและเครื่องประทีบและเขายังประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตหลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกบุคคลเป็นกันหาพิชาติประพฤติธรรมดําเป็นอย่างนี้แลบุคคลเป็นกัรหาพิชาติประพฤติธรรมขาวเป็นอย่างไร คือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เกิดในตระกูลต่ำคือตระกูลจันทานและถึงมักไม่ได้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่พักและเครื่องประทีบแต่เขาประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตหลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ บุคคลเป็นกันหาพิชาติบรรลุนิพพานที่ไม่ดำไม่ขาวเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เกิดในตระกูลต่ำคือตระกูลจันทานและถึงและเขามีผิวพรรณหม่นมองไม่น่าดูต่ำเตี้ยเขาคนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดห อ, อกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตเขาผู้บวชแล้วอย่างนี้และนิวรห้าประการอันเป็นเครื่องเศร้ามองใจ ทอนกาลังปัญญามีจิตตั้งมั่นดีในสติปัฏฐานสี่ประการเจริญโพชฌงเจประการตามความเป็นจริงแล้วบรรลุนิพพานที่ไม่ดําไม่ขาวบุคคลเป็นกันหาพิชาติบรรลุนิพพานที่ไม่ดําไม่ขาวเป็นอย่างนี้แลบุคคลเป็นสุ ก, กาพิชาติประพฤติธรรมดำเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เกิดในตระกูลสูง คือตระกูลขัติยะมหาศาลตระกูลพรามณะมหาศาลตระกูลข้าพดีมหาศาลซึ่งเป็นตระกูลมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโพคะมากมีทองและเงินมากมีเครื่องใช้ที่น่าปลื้มใจมากมีทรัพย์และข้าวเปลือกมากและเขามีรูปงามน่าดูน่าเลื่อมใสมีชวีวันผุดพองยิ่งนักมักได้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอม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 คือตระกูลขติยะมหาศาลละถึงมักได้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปไล้ที่นอนที่พักและเครื่องประทีบและเขายังประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตหลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์บุคคลเป็นสุกาพิชาตประพฤติธรรมขาวเป็นอย่างนี้แหล บุคคลเป็นสุกาพิชาติบรรลุนิพพานที่ไม่ดำไม่ขาวเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เกิดในตระกูลสูงคือตระกูลขติยะมหาศาลตระกูลพรามณ์มหาศาลตระกูลข่าบดีมหาศาลซึ่งเป็นตระกูลมั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโพคะมากมีทองและเงินมากมีเครื่องใช้ที่น่าปลื้มใจมากมีทรัพย์และเข้าเปลือกมาก และเขามีรูปงามน่าดูน่าเลื่อมใสมีชวีวันผุดพองยิ่งนักเขาโคนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตเขาผู้บวชแล้วอย่างนี้และนิวรณห้าประการอันเป็นเครื่องเศร้าหมองใจทอนกำลังปัญญามีจิตตั้งมั่นดีในสติปฐานสี่ประการเจริญโพชฌงเจ็ประการตามความเป็นจริงแล้ว บรรลุนิพพานที่ไม่ดำไม่ขาวอย่างนี้บุคคลเป็นสุกากพิชาตบรรลุนิพพานที่ไม่ดำไม่ขาวเป็นอย่างนี้แลอานนท์อภิชาตหกประการ น, นี้แลฉละพิชาติสูตรที่สจบ สอาสวะสูตรว่าด้วยอาสวะธรรมภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมหประการเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักสีนาควรแก่การทําอัญเชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกธรรมหประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่ง และอาสวะที่จะพึงละได้ด้วยการสังวร 2. อและอาสวะที่จะพึงละได้ด้วยการใช้สอย 3. และอาสวะที่จะพึงละได้ด้วยความอดกลั้น 4. และอาสวะที่จะพึงละได้ด้วยการเวน้น 5. าและอาสวะที่จะพึงละได้ด้วยการบรรเทา 6. และอาสวะที่จะพึงละได้ด้วยการเจริญ ภิกษุและอาสวะที่จะพึงละได้ด้วยการสังวรเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้พิจารณาโดยแยกคายแล้วเป็นผู้สำรวมด้วยการสังวรในจกักขุนซีอยู่ซึ่งเมื่อเธอไม่สำรวมอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้นเมื่อเธอสำรวมอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแค่เธอ ด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุพิจารณาโดยแยกขายแล้วเป็นผู้สำรวมด้วยการสังวรในโสตินสีคานินสีชิวหินสีกายินสีเป็นผู้สำรวมด้วยการสังวรในมนินสีอยู่ซึ่งเมื่อเธอไม่สำรวมอยู่อสุวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้นเมื่อเธอสำรวมอยู่ อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าภิกษุและอาสวะที่จะพึงละได้ด้วยการสังวรภิกษุและอาสวะที่จะพึงละได้ด้วยการใช้สอยเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้พิจารณาโดยแยบคลายแล้วใช้สอยจีวรเพียงเพื่อป้องกันความหนาวความร้อน เหลือบยุงลมแดดและสัมผัสแห่งสัตว์เลื้อยคลานเพื่อปกปิดอวัยวะที่น่าละอายพิจารณาโดยแยบคลายแล้วชั้นบินทบาทไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อความมัวเมาไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อตกแต่งแต่เพื่อกายนี้ดำรงอยู่ได้เพื่อให้ชีวิตตินสีเป็นไปเพื่อบำบัดความหิวเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรันทร์ด้วยคิดเห็นว่า โดยอุบายนี้เราจะกาจัดเวทนาเก่าเสียได้และจากไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นความดารงอยู่แห่งชีวิตความไม่มีโทษและการอยู่โดยพาสุขจกมีแก่เราพิจารณาโดยแยกคายแล้วใช้สอยเสนอาสะนะเพื่อป้องกันความหนาวความร้อนเหลือบยุงลมแดดและสัมผัสแห่งสัตว์เลื้อยคลานเพื่อบรรเทาอันตรายที่เกิดจากฤดู และยินดีในการเหล็กเร้นพิจารณาโดยแยกขายแล้วใช้สอยคีฬานะปัจจัยเพศสารปริขารเพื่อบรรเทาวเวทนาที่เกิดจากอ า, าพาธต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อไม่มีความเบียดเบียนเป็นที่สุดซึ่งเมื่อเธอไม่ใช้สอยอยู่อาสะวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้นเมื่อเธอใช้สอยอยู่อาสะวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอ ด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าภิกษุละอาสวะที่จะพึงละได้ด้วยการใช้สอยภิกษุละอาสวะที่จะพึงละได้ด้วยความอดกลั้นเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วเป็นผู้อดทนต่อความหนาวความร้อนความหิวกระหายเหลือบยุงลมแดด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 ด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าภิกษุและอาสวะที่จะพึงละได้ด้วยความอดกลั้นภิกษุและอาสวะที่จะพึงละได้ด้วยการเว้นเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบขายแล้วเว้นช้างดุร้ายเว้นม้าดุร้ายเว้นโคดุร้ายเว้นสุนัขดุร้ายเว้นงูหลักต่อ สถานที่มีหนามหลุมเหวบอ่อน้ำคร่ำบอ่อโสโครกและพิจารณาโดยแยบคายแล้วเว้นสถานที่ไม่ควรนั่งสถานที่ไม่ควรเที่ยวไปและมิชั่วที่เพื่อนพรหมจารีผู้รู้ทั้งหลายลงความเห็นว่าเป็นฐานะที่เป็นบาปเสียซึ่งเมื่อเธอไม่เว้นอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความขับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้นเมื่อเธอเว้นอยู่ อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าภิกษุและอาสวะที่จะพึงละได้ด้วยการเว้นภิกษุและอาสวะที่จะพึงละได้ด้วยการบรรเทาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วไม่รับพยาบาทวิตกที่เกิดขึ้นละถึง ไม่รับวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นไม่รับ บ, บาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกและบันเทาทําให้สิ้นสุดทําให้ถึงความเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปซึ่งเมื่อเธอไม่บันเทาอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้นเมื่อเธอบันเทาอยู่อสวะและความเร่าร้อนที่ข่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่าภิกษุและอาสวะที่จะพึงละได้ด้วยการบรรเทาภิกษุและอาสวะที่จะพึงละได้ด้วยการเจริญเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วเจริญสติสัมโผ่ชงที่อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะความคลายกำหนัดอาศัยนิโรธความดับน้อมไปนในการสละ พิจารณาโดยแยบคายแล้วจเจริญธรรมวิจยะสัมโพชงจเจริญวิริยะสัมโพชงจเจริญปีติสัมโพชงจเจริญปัสสติสัมโพชงจเจริญสมาธิสัมโพชงจเจริญอุเบกขาสัมโพชงที่อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้องไปในการสละซึ่งเมื่อเธอไม่จเจริญอยู่อสุวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้น เมื่อเธอจเจริญอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความขับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าภิกษุและอาสวะที่จะพึงละได้ด้วยการเจริญภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมหประการนี้แหลเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของตอนรับควรแก่ทักษณาควรแก่การทำอัญชลี เป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกอาสวะสูตรที่สี่จบ 5. ทาารุกรมมิกะสูตรว่าด้วยข้าบารดีชื่อทารุกามิกะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนกะินจากาวสฏารามครั้งนั้นขหบดีชื่อว่าทารุกามิกะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามดังนี้ว่าข้าดีท่านประจำตระกูลท่านยังให้อยู่หรือข้าพเจ้ากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ทานประจำตระกูลข่าพระองค์ยังให้อยู่ทั้งทานนั้นข้าพระองค์ให้ในภิกษุผู้เป็นพระอรหันต์หรือผู้บรรลุอรหัตมรรมผู้อยู่ป่าเป็นวัดผู้เที่ยวบินธบาเป็นวัดผู้ทรงผ้าบางสกุลเป็นวัดพระผู้มีประภาคกระถามว่าขหาบดีท่านผู้เป็นขรหัตเป็นกามมภขคีอยู่ครองเรือนนอนเบียดเยษบุตรใช้สอยผงแก่นจันจากแควนกาสี ทัดทรงดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปไล้ยินดีทองและเงินอยู่พึงรู้ข้อนี้ได้ยากว่าเหล่านี้คือพระอรหันต์เหล่านี้คือท่านผู้บรรลุอรหัตมรรมข้าดีจหนึ่งถ้าภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัดเป็นผู้ฟุ้งซ่านถือตัวโลเลปากกล้าพูดพร่ำเพรือ่อหลงลืมสติไม่มีสัมปชัญญะมีจิตไม่ตั้งมั่น มีจิตขวัดแกว่งไม่สำรวมอินทรีย์เมื่อเป็นอย่างนี้ภิสษุนั้นพึ่งถูกติเตียนด้วยเหตุนั้นถ้าภิสษุผู้อยู่ป่าเป็นวัดเป็นผู้มีฟุ้งซ่านไม่เถือตัวไม่โลเลไม่ปากกล้าไม่พูดพร่ำเพรือ่อมีสติมั่นคงมีสัมปชัญญะมีจิตตั้งมั่นมีจิตแน่วแน่สำรวมอินทรีย์เมื่อเป็นอย่างนี้ภิสษุนั้น พึงได้รับการสันเสริญด้วยเหตุนั้น 2. ถ้าภิกษุผู้อยู่ใกล้บ้านเป็นผู้ฟุ้งซ่านละถึงเมื่อเป็นอย่างนี้ภิกษุนั้นพึงถูกติเตียนด้วยเหตุนั้นถ้าภิกษุผู้อยู่ใกล้บ้า น, ใ น, ใน Newman, เป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านละถึงเมื่อเป็นอย่างนี้ภิกษุนั้นพึงได้รับการสันเสริญด้วยเหตุนั้น 3. ถ้าภิกษุผู้เที่ยวบิณบาตเป็นวัด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 พึงถูกติเตียนด้วยเหตุนั้นถ้าภิกษุรับนิมนต์เป็นผู้มีฟุ้งซ่านและถึงเมื่อเป็นอย่างนี้ภิกษุนั้นพึงได้รับการสันเสริญด้วยเหตุนั้นห้าถ้าภิกษุผู้ทรงผ้าบางสกุลเป็นวัดเป็นผู้ฟุ้งซ่านและถึงเมื่อเป็นอย่างนี้ภิกษุนั้นพึงถูกติเตียนด้วยเหตุนั้นถ้าภิกษุผู้ทรงผ้าบางสกุลเป็นวัด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 พงถูกติเตียนด้วยเหตุนั้นถ้าแม้ภิกษุผู้ทรงข้าบดีจีวอนเป็นผู้มีฟุ้งซ่านไม่เถือตัวไม่โลเลไม่ปากกล้าไม่พูดพร่ำเพื่อมีสติมั่นคงมีสัมปชัญญะมีจิตตั้งมั่นดีมีจิตแน่วแน่สำรวมอินทรีย์เมื่อเป็นอย่างนี้ภิกษุนั้นพึงได้รับการสรรเสริญด้วยเหตุนั้นขหาบดีเชิญท่านถวายสังฆทานเถิด เมื่อท่านถวายสังฆทานอยู่จิตจกเลื่อมใสหลังจากตายแล้วท่านจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ข้าบดีกราบทูนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จากถวายสังฆทานตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทารุกามิกะสูตรที่ห้าจบ